สมชายนำทูปเทียนและไม่ขีดมาสองลังท่านพระครูจึงให้เขาประเคนพระสองรูปที่มาขอความอนุเคราะห์ท่านพระครูเตรียมปัจจัยสองร้อยบาทใส่ซองไว้ตั้งแต่เมื่อคืนเพราะรู้ล่วงหน้าว่าจะมีพระมาขอท่านประเคนซองปัจจัยด้วยตนเองและถามว่าอยู่ชั้นเพงก่อนค่อยกลับดีไหมอาหารการกินที่วัดนี้สมบูรณ์ ผมยังเล่าไม่จบเรื่องที่ผมเคยลำบากมาก่อนกำลังจะแนะนำท่านว่าทำอย่างไรวัดถึงจะอุดมด้วยวัตถุสมบัติก็พอดีโยมคนนั้นพูดแทรกขึ้นเสียก่อนท่านหมายถึงสตรีที่ประกาศตนว่าเป็นน้องนายยกต้องทำอย่างไรครับภิกษุสองรูปถามขึ้นพร้อมกันเพราะอยากให้วัดของท่านอุดมสมบูรณ์ด้วยวัตถุสมบัติและธรรมสมบัติเช่นเดียวกับวัดป่ามะม่วง ท่านเจ้าของกุฏิมีเมตตาต่อญาติโยมอยากให้พวกเขาได้ฟังและนำไปปฏบิบัติบ้างจึงพูดขึ้นว่าญาติโยมทั้งหลายอาตมากำลังจะบอกเคล็ดลับให้พระคุณเจ้าสองรูปนี้ว่าทำอย่างไรจึงจะทำให้วัดอุดมสมบูรณ์ด้วยวัตถุสมบัติธรรมสมบัติอย่างที่อาตมาพูดไปเมื่อสักครู่ว่าแต่ก่อนวัดป่ามะม่วงยากจนมาก แต่ทำไมเดี๋ยวนี้ถึงอุดมสมบูรณ์ญาติโยมอยากฟังไหมอยากฟังค่ะอยากฟังครับท่านรู้ว่ามีสตรีประมาณห้าคนที่ไม่อยากฟังเพราะมัวแต่คิดงุดหงิดงุ่นง่านที่ยังไม่ถึงคิวสักทีจึงพูดยิ้มยิ้มว่าใครไม่อยากฟังก็ให้เอามืออุดหูไว้จากนั้นก็เล่า ว, ว่า เมื่อยีสิบกว่าปีก่อนอาตมาได้พบกับพระธุดงองค์หนึ่งท่านธุดงมาจากภาคอีสานและก็มาปักกลดอยู่กลางนาเห น, เนือบ้านแป้งขึ้นไปอาตมาก็ไปกราบท่านได้สนทนาปลาศัยกันอาตมาก็ได้รู้ว่าท่านมีศีลาจารวัตที่งดงามน่าเลื่อมใสายท่านแนะนําอาตมาว่าถ้าอยากให้วัดเจริญรุ่งเรือง อุดมด้วยวัตถุสมบัติธรรมสมบัติก็ให้เจริญพระพุทธมนต์ธรรมาจักกับประวัตนาสูตรทุกวันวันละจบจนกระทั่งครบพันจบอัตมาก็ปฏิบัติตามที่ท่านแนะนําวัดก็เลยเจริญรุ่งเรืองแอบอุดมด้วยวัตถุสมบัติและธรรมสมบัติอย่างที่ท่านเห็นอยู่นี่แหละผมไม่ใช่พระและไม่ได้อยู่วัดแต่ถ้าผมทําอย่างที่หลวงพ่อพูดมาบ้านผมจะเจริญรุ่งเรือง และอุดมด้วยวัตถุสมบัติและธรรมสมบัติไหมครับบุรุษที่ยังไม่เคยถามกราบเรียนถามจเจริญแน่นอนถ้าโยมทำได้และทำอย่างตั้งใจท่านพระครูรับรองพระสองรูปถือโอกาสนมัสการลาคิดว่าจะตั้งต้นจเจริญพระพุทธมนต์ธรรมจักรกับประวัตนสูตรตั้งแต่วันนี้ใช้เวลาเกือบสามปีกว่าจะครบพันจบ จะไหวหรือเปล่าหนอหรือจะมาขอเข้ากรรมาฐานที่วัดท่านพระครูเพื่อปลุกใจให้สู้กับสิ่งยากเสียงท่านพระครูพูดว่าอยากแท้แต่ไม่เคยที่ท่านเห็นว่ายากเพราะยังไม่เคยถ้าเคยแล้วก็ไม่ยากลองไปทำดูแลจะรู้ว่าที่ผมพูดมานั้นผิดหรือถูกประการใดถ้าท่านไม่ลองก็ไม่รู้จริงไหม จริงครับผมขออนุญาตกลับไปชั้นเพนที่วัดนะครับเท่านี้ก็รู้สึกว่ารบกวนท่านพระครูมากเกินไปแล้วท่านพากันกราบพระครูเจริญสามครั้งแล้วลูกออกไปนายสมชายหิ้วของไปส่งถึงหน้าวัดหลวงพ่อท่านถวายค่ารถเขาจึงไม่ต้องขับรถไปส่งท่านเกิดหลวงพ่อท่านให้เขาขับรถไปส่งพระที่มาขอความอนุเคราะห์จากท่าน วันวนหนึ่งเขาคงไม่เด็ดทาอย่างอื่นแค่ขับรถไปส่งพระกลับวัดก็หมดเวลาแล้วเมื่อพระอากันตุกะสองรูปลากลับไปท่านพระครูก็เริ่มรับฟังปัญหาชีวิตของญาติโยมที่ด้านด้นมาขอให้ท่านช่วยเวลาใกล้เพลแล้วท่านจึงใช้วิธีลัดเหมือนดังที่เคยใช้วันนี้มีเพิ่มมาอีกหนึ่งปัญหาคืออดอยากยากจน ท่านก็ได้แนะนำให้เจริญพระพุทธมนตธรรมจักกับวัตนนสูตรไปแล้วหากท่านเห็นว่าผู้ที่ปฏิบัติตามอย่างสม่ำเสมอจนประสบความสำเร็จนั้นมีเพียงร้อยละสิบเท่านั้นพระคุณเจ้าสองรูปที่เพิ่งกลับไปจะละความเพียรเป็นลำดับแรกทั้งนี้เพราะท่านไม่สู้และเคยชินกับกิจวัตรที่ท่านปฏิบัติมาเนิ่นนานจนปรับเปลี่ยนไม่ได้แล้วและพระส่วนใหญ่ก็ประพฤติปฏิบัติกัน คือเช้าเอนเพนนอนเย็นพักผ่อนข้ามจำวัดบางรูปก็ก้าวขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งคือดึกซัดมามา่าท่านพระครูกําลังจะบอกญาติโยมให้ไปรับประทานที่โรงครัวเพราะได้เวลาฉันเพลนของท่านแล้วแต่ในฐานะที่เป็นเจ้าของบ้านท่านจำเป็นต้องส่งแขกกลับก่อนแต่ก่อนกลับก็ควรจะได้รับประทานอาหารให้อิ่มหมีพีมันเสียก่อน จะได้ไม่ต้องแวะกินระหว่างทางให้เสียเงินโดยใช่เหตุยังไม่ทันท่านจะเ อ, อ่ยวาจาสตรีที่ยังคล่องใจเรื่องที่ท่านไม่ยอมไล่คนบ้าก็เรียนถามว่าหลวงพ่อคะทาไมหลวงพ่อจึงบอกว่าที่หลวงพ่อไม่ไล่คนบ้าไปเพราะหลวงพ่อเป็นเจ้าของบ้านไม่สามารถ ไล่แขกที่มาเยี่ยมบ้านเราได้แต่ผู้หญิงคนนั้นไม่ใช่แขกเขาเป็นคนบ้าถ้าเราไม่ไล่เขาไปอาจมาทำร้ายคนที่นั่งอยู่ณที่นี้ก็ได้อัตมารู้ว่าเขาไม่ทำอย่างนั้นอีกอย่างหนึง่งอัตมาก็สอนญาติโยมและลูกศิษย์ลูกหาอยู่บ่อยๆว่าคนบ้าอย่าถือคนดือ้อย่าสอนคนจอนอย่าคบคนประจบอย่ารักคนทักอย่านิ่ง คนติงอย่านายคนอายอย่าล้อคนมั ง, ง้ออย่ากโกรธคนโฉดอย่าเข้าใกล้คนตายอย่ากลัวคนชั่วอย่านำพาโดยสรุปก็คือเราต้องมีจิตเมตตาต่อเพื่อนร่วมโลกไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือว่าสัตว์เรามาอยู่ในโลกเพียงชั่วคราวเดี๋ยวก็ต้องตายจากกันไปจึงไม่ควรคิดร้ายพูดร้ายทำร้ายกันเอาละ ขเชิญญาติโยมไปรับประทานอาหารได้ท่านบอกคุณนายเฉลวรัตว่าพาลูกไปทานข้าวก่อนเดี๋ยวให้สมชายพาขึ้นไปคุยกันข้างบนทุกคนกราบท่านสามครั้งแล้วจึงลุกออกไปเพราะรู้สึกหิวผู้ที่ได้คำตอบเป็นที่พอใจแล้วก็พากันคิดว่ากินข้าววัดอิ่มก็จะกลับส่วนคนที่อยากได้คำตอบจนกว่าจะพอใจ ก็คิดว่าจะรอท่านลงรอบบ่ายสองอีกครั้งหลังจากนั้นจึงกลับก่อนกลับก็จะไปกินข้าวที่โรงครัวอีกมื้อหนึ่งเป็นอันว่ามาวัดประหยัดไปสองมือ้ออย่างนี้นี่เองที่หลวงพ่อท่านบอกว่าใครกินข้าววัดนี้กลับไปรวยทุกคนสมภารวัดป่ามะม่วงฉั้นเพนเสร็จได้สักครู่นายสมชายก็พาคุณนายฉลวรัตกับลูกชาย ลูกสาวขึ้นไปยังชั้นบนของกุตินายขุนทองตามขึ้นมาด้วยเพื่อจะโชคดีได้พูดคุยกับหนุ่มอายุ19ปีที่เป็นลูกชายคุณนายเฉลวรัตท่านพระครูอยากจะถามหลานชายว่ามาเสนอหน้าอยู่ทําไมมีอะไรก็ไปทําเสียให้เสร็จหากก็ฉุกคิดได้ว่าการมาเสนอหน้าของนายขุนทองมีประโยชน์เพราะเรื่องที่คุณนายเฉลวรัตจะมาปรับทุกกับท่านนั้น ไม่สมควรที่จะให้ลูกๆนั่งฟังด้วยเดี๋ยวจะกลายเป็นเด็กมีปัญหาในอนาคตเพราะซึมซับความทุกข์ของมาดาไว้มากอาจจะเกลียดบิดาถ้าเป็นเช่นนั้นก็จะเป็นบาปดังนั้นท่านจึงบอกในขุนทองว่าขุนทองพาน้องสองคนไปดูแม่น้ำเจ้าพรยาหน่อยสิแล้วพูดกับลูกคุณนายเฉลวรัฐว่าหนูไปดูแม่น้ากับพี่เขานะ แม่น้ำเจ้าพญาช่วงไหนฮะหลวงลุ ง, ลงต้องไปถึงปากน้ำโพที่แม่น้ำปิงวังยมนาลไหลามาบรรจบกันหรือเปล่าถ้าอย่างนั้นต้องให้พี่สมชายขับรถพาไปพระหนูขับรถไม่เป็นก็หลวงลุ ง, ลงไม่ยอมให้หนูเรียนขับรถสักทีท่านพระครูไม่อยากต่อปากต่อคำจึงพูดสั้นๆว่าดูที่ศาลาท่าน้าหลังวัดนี่ก็ได้ ไม่ต้องไปถึงปากน้ำโพกระนั้นเจ้าคนช่างพูดก็ยังพูดต่ออีกว่าไม่ใช่ศาลาท่าน้ำหน้าวัดหรอกเหรอฮะก็เมื่อก่อนที่ยังไม่ได้สร้างถนนสายเอเชียหลุงลุงบอกว่าหลังวัดเป็นหน้าวัดส่วนหน้าวัดกลายเป็นหลังวัดท่านพระครูจึงตัดรำคาญด้วยการพูดประชดตามใจเองเถอะจะไปหน้าวัดหรือหลังวัดก็ตามใจแล้วพูดกับคุณนายเหลวรัตว่า โยมอาตมาไม่รู้มีเวรมีกรรมอะไรเลี้ยงชะมดไว้มันกลายเป็นอีเห็นไปหมดค่ะหลวงพ่อดิฉันก็ไม่รู้มีเวรมีกรรมอะไรมีน้องสาวอยู่สองคนสารวัตรชนก็ได้เป็นเมียหมดดิฉันกลุ้มใจอยากจะฆ่าตัวตายแต่ก็เป็นห่วงลูกๆอ้าวทาไมสารวัตรทำอย่างนั้นละ่ะเมื่อก่อนก็ยังเห็นดีๆอยู่ กลับกลายเป็นพระยาเทครวไปซะแล้วท่านพูดเสียงตำหนินิดๆเพื่อให้คุณนายสบายใจที่ท่านเป็นฝ่ายคุณนายแต่แทนที่คุณนายจะสบายใจกลับปล่อยโฮออกมานายสมชายจึงเอื้อมมือไปหยิบกระดาษเช็ดหน้าจากกล่องที่วางอยู่ด้านซ้ายมือของท่านพระครูมาสมให้คุณนายเอาไว้เช็ดน้ำตาใจเย็นเย็นโยมตั้งสติให้ดีแล้วฟังอาตมา ทุกที่โยมกำลังเผชิญอยู่นี้ไม่ใช่ของใหม่ความจริงโยมเผชิญทุกนี้มาแล้วหลายภพหลายชาติเช่นเดียวกับผู้หญิงอีกหลายมือหลายแสนคนที่เกิดมาในโลกนี้อัตมากำลังจะบอกโยมว่าภรรยาที่ทุกขเพราะสามีนอกใจไม่ได้มีแต่โยมคนเดียวเพราะที่มานั่งที่กุฏิชั้นล่างเมื่อเช้านี้อัตมาสารวจดูแล้วมีถึงร้อยละห้าสิบ โยมมีเพื่อนร่วมทุกข์มากมายกายกองเลยเชียวละได้ยินว่าคนอื่นมีทุกข์เหมือนอนกันนี้คุณนายก็ค่อยรู้สึกดีขึ้นมานิดหนึ่งแต่ความที่ยังเป็นปุถุชนที่มักเอาตนเป็นใหญ่เห็นตนสำคัญกว่าใครอื่นคุณนายจึงแย้งท่านว่า แต่ทุกของดิฉันหนักหนาะสาหัสกว่ารายอื่นๆนะคะหลวงพ่อหลวงพ่อคิดดูสิคะพวกเรามีกันสามคนพี่น้องดิฉันเป็นพี่สาวคนโตชื่อชาลารัตน์คุณนายพูดยังไม่ทันจบท่านพระครูก็พูดขึ้นว่าอาตมาทราบแล้วคุณนายชื่อชลาลวรัตน์ภรรยาสารวัตรชนอินทนาที่ช่วยพยาบาลอาตมาตอนใส่ติ่งแตกบนรถไฟ ขณะเดินทางไปส่งสารวัตรที่อำเภอเฉวดอัตมาปวดจนสิ้นใจตายอยู่บนรถไฟแต่อัตมาก็ไม่รู้ว่าตัวเองตายแล้วจึงเดินเล่นตั้งแต่หัวขบวนถึงท้ายขบวนสำรวจดูผู้โดยสารว่าทำอะไรกันบ้างแล้วก็ไปเจอใครรู้ไหมท่านถามคุณนายเพื่อจะทำให้เธอมีความทุกข์น้อยลงเมื่อหัวระลึกถึงความหลังครั้งกระโนน เจอเพื่อนหลวงพ่อที่ตายไปตอนอายุ17แต่หน้าตายังเหมือนเดิมคือไม่แก่ลงเหมือนคนที่ยังมีชีวิตอยู่ค่ะคุณนายตอบแล้วยังไงเอกท่านถามต่อหลวงพ่อก็คุ้นกับเพื่อนและเพื่อนบอกว่าหลวงพ่อมรณาภาพแล้วหลวงพ่อก็เลยถามเขาว่าจะไปไหนหลวงพ่อจะขอไปด้วยแต่เขาบอกว่าไปไม่ได้พอรถจอดสถานีเขาก็ลงรถหายไป หลวงพ่อก็เลยนึกได้ว่าก่อนหน้านี้หลวงพ่อปวดท้องเพราะท้องหลวงพ่อบวมจนเขียวหลวงพ่อทั้งถ่ายทั้งอาเจียนมีเลือดและหนองออกมาด้วยดิฉันเป็นคนนำไปเทที่ห้องสุขาบนรถไฟเสร็จแล้วหลวงพ่อก็แน่นิ่งไปดิฉันก็เอามืออังจมูกหลวงพ่อก็ไม่มีลมออกมาเพราะหลวงพ่อมอรณาภาพแล้วดิฉันตกใจทาอะไรไม่ถูก ได้แต่นั่งร้องไห้อยู่ข้างศพหลวงพอ่อแต่ขอประทานโทษคะ่ะหลวงพ่อเล่าข้ามไปตอนหนึ่งตอนไหนละ่ะท่านพระครูรู้สึกพอใจที่ทำให้คุณนายลืมความทุกข์ได้ตอนที่หลวงพ่อเดินสำรวจดูผู้โดยสารว่าทำอะไรกันบ้างหลวงพ่อจําได้ไหมคะว่าหลวงพ่อเล่าข้ามไปตอนไหนเห็นจะข้ามไปตอนที่อาตมาพูดกับผู้โดยสาร แต่ไม่มีใครพูดกับอาตมาเลยถามอะไรเขาก็ไม่ตอบตอนแรกอาตมาก็คิดว่าเอ๊ะคนพวกนี้เขาเป็นอะไรไปทำไมไม่พูดกับพระพอเห็นโยมนั่งร้องไห้อยู่ใกล้ๆพระรูปหนึง่งอาตมาก็เอ๊ะอกเอ๊ยว่าอ้าวนี่เรามานอนอยู่ทาไมาตรงนี้ก็ถามโยมว่าร้องไห้ทำไมโยมก็ไม่ตอบเสีกแต่แล้ว ทำไมถึงฟื้นขึ้นมาได้ก็ไม่ทราบ ก, ก็แปลกดีเหมือนกันค่ะดิฉันก็ว่าแปลกเรื่องของหลวงพ่อแปลกเรื่องของดิฉันก็แปลกแต่มันทําให้ดิฉันทุกทรมานมานานหลายปีดีดักแล้วดิฉันอยากจะมากราบหลวงพ่อเพื่อระบายความทุกข์หากก็เกรงใจเพราะได้ยินมาว่าหลวงพ่อมีงานมากเลยไม่อยากมารบกวนแล้วทำไมวันนี้ถึงมาล่ะ ท่านพระครูจงใจถามทั้งที่รู้คําตอบดีก็ก็มันทุกข์เหลือเกินทุกจนทนไม่ไหวแล้วค่ะแต่ก่อนก็พอทนไหวเพราะเรื่องยังไม่ร้ายแรงจนถึงขั้นที่ดิฉันทนไม่ไหวดิฉันจะเล่าต่อจากเมื่อตะกี้ที่เล่าค้างไว้ขอความการุณาหลวงพ่ออย่าเพิ่งถามอะไรรอให้ดิฉันเล่าจบซสก่อนตกลงนะคะคุณนายตั้งเงื่อนไข ท่านพระครูรู้สึกว่าคุณนายรู้ทันจึงจำต้องยอมรับเงื่อนไขอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้คุณนายจึงเล่าเรื่องที่ค้างไว้ให้ท่านฟังดิฉันมีน้องสาวสองคนคนรองจากดิฉันชื่อเฉลารถอายุอ่อนกว่าดิฉันแปดปีอีกคนชื่อเฉล่าเรืองอ่อนกว่าเฉลารถสองปีเรื่องเกิดขึ้นตั้งแต่ตอนที่ดิฉันเข้าโรงพยาบาลเพื่อคลอดลูกสาวคนสุดท้อง ตอนนั้นดิฉันก็ไม่ทราบเลยเพราะมัวแต่เลี้ยงลูกที่หลงมาเกิดแต่ก็ผิดสังเกตที่สารวัตรเขาเริ่มกลับบ้านไม่ตรงเวลานานเข้าก็สองสามวันกลับครั้งดิฉันก็ไม่ได้สนใจเพราะคิดว่าเขาตำแหน่งสูงขึ้นก็คงจะมีงานมากขึ้นลืมเล่าไปนิดนึงคือพอเข้าย้ายจากอำเภอเฉวงมาประจำที่กรุงเทพได้สองปี ก็เลยเลื่อนยศได้เป็นพันตำรวจเอกแต่ดิฉันว่าเขาคงไม่ขึ้นสูงไปกว่านี้อีกเพราะความประพฤติไม่ดีมีเมียถึงสามคนคุณนายอดที่จะแสดงความเคืองขุนไม่ได้และพูดต่อเพราะปลัวท่านพระครูจะแสดงความคิดเห็นต่อมาเขาก็ตั้งท้องเมื่อครบกำหนดก็ไปคลอดที่โรงพยาบาลและคงกลัวว่าสารวัตรจะไปหาหญิงอื่น เลยลงทุนยกน้องสาวคนเล็กให้เป็นเมียพี่เขยอีกคนหนึ่งเขาเป็นผู้หญิงที่เลวมากไม่น่ามาเกิดเป็นน้องสาวดิฉันเลยดิฉันอยากจะไปฉีกอกน้องสาวคนเลวนี้หากก็กลัวเป็นข่าวกลัวว่าลูกๆจะอับอายขายหน้าเพื่อนฝูงพอเขาเห็นว่ามีลูกด้วยกันแล้วก็เลยถือโอกาสยึดพี่เขยเป็นผัวแบบถาวรโดยห้ามไม่ให้สารวัตรกลับมาหาดิฉัน และลูกอีกเงินทองก็ไม่ส่งเสียดิฉันก็ตกที่นั่งลำบากเพราะไม่ได้ทำงานลูกๆ ก, ก็พลอยเดือดร้อนไปด้วยที่พ่อไม่กลับบ้านนอกจากเขายึดสามีดิฉันไปแล้วยังยึดบ้านที่คุณพ่อคุณแม่ทิ้งเป็นมรดกไว้ให้ลูกสาวสามคนเขาให้น้องสาวคนเล็กเป็นคนใช้แต่ไม่ได้จ่ายเงินเดือนน้องสาวก็ช่วยเลี้ยงหลานจนโตเข้าโรงเรียนอนุบาล เขาใช้น้องเรืองทำงานสารพัดยิ่งกว่าทาตในเรือนเบี้ยซะอีกตัวเองก็เป็นคุณนายลอยหน้าลอยตาอยู่ในสังคมภรรยาในตำรวจโดยที่ไม่รู้จักอับอายท่านพระครูไม่อยากให้คุณนายลงรายละเอียดมากเกินไปจึงต้องเตือนว่าขออาภายัย เหลืออีกไม่กี่นาทีจะถึงเวลาที่อาตมาต้องลงรับแขกจึงขอให้โยมช่วยรวบรวมน่อยเอาเป็นว่าโยมรู้เรื่องนี้ตั้งแต่เมื่อไรใครเป็นคนเล่าให้ฟังเมื่อสามปีที่ผ่านมานี่เองค่ะน้องเรืองเข้าแอบมาเล่าให้ฟังแล้วเขาก็มาลาดิฉันจะไปอยู่สหรัฐอเมริกากับสามีที่ไม่ใช่พี่เคยคือน้องเรืองเป็นคนสวยมากถึงจะสวยน้อยกว่าดิฉันนิดหนึ่ง แต่ก็นับว่าเป็นคนสวยมากวันหนึ่งเขาพบเพื่อนที่เคยเรียนมัธยมมาด้วยกันเพื่อนมากับสามีและเพื่อนของสามีปรากฏว่าเพื่อนของสามีเกิดชอบน้องเรืองจะว่าชอบก็ดูไม่ตรงนักต้องพูดว่ารักคือรักแรกพบทํานองนั้นแหละค่ะเขาขอให้เพื่อนที่เป็นสามีของเพื่อนน้องเรืองช่วยเป็นแม่สื่อให้น้องเรืองกลัวจะมีปัญหา ถ้าเกิดเขารู้ว่าเป็นเมียลับๆของพี่เขยก็จะรังเกียจจึงตัดสินใจเล่าเรื่องทั้งหมดให้เขาฟังปรากฏว่าเขาสงสารน้องเรืองมากทั้งรักทั้งสงสารก็เลยนัดแนะกันว่าจะหนีไปอยู่ด้วยกันที่ประเทศสหรัฐอเมริกาไปแต่งงานกันที่นั่นก่อนไปก็จดทะเบียนสมรสกันเป็นที่เรียบร้อยน้องเรืองจึงส่งเงินมาให้ดิฉันใช้จ่ายเป็นค่าเล่าเรียนล้านๆ คือลูกของดิฉันดิฉันก็อยู่อย่างประหยัดลูกคนโตกับคนที่สองก็ไปรับจ้างทำงานตอนปิดเทอมแต่สองเดือนที่ผ่านมาน้องเรืองเขียนจดหมายมาบอกว่าเศรษฐกิจตกทำให้ธุรกิจที่ทำอยู่ตกตามไปด้วยจึงของดส่งเงินช่วยเหลือจนกว่าเศรษฐกิจจะดีขึ้นดิฉันก็หมดปัญญาจะไปขอสารวัตรหรือก็ไม่อยากเห็นหน้าอีกอย่างหนึง่ง น้องเรืองบอกว่าพี่สาวเก็บเงินทุกบาททุกสตางค์ของพี่เคยให้ติด ก, กระเป๋าไปทำงานวันละร้อาบาทเป็นค่าอาหารกลางวัน50บาทอีกร้อยบาทให้ติด ก, กระเป๋าไว้เผื่อมีความจำเป็นต้องใช้เรื่องก็มีเท่านี้ล่ะค่ะนายสมชายอยากจะสาธุออกมาดังๆหากก็เกรงท่านพระครูจะขายหน้าที่มีลูกศิษย์ไม่รู้จักกาละเทสะจึงได้แต่สาธุในใจ ท่านพระกรูจึงพูดสั้นๆตามที่เห็นว่าเอาละ่ะต่อไปนี้โยมไม่ต้องวิตกกังวลอะไรอีกบุญกุศลช่วยโยมแล้วอัตมาไม่เคยลืมบุญคุณโยมที่พยาบาลอัตมาตอนไส่ติ่งแตกบนรถไฟเมื่อหลายปีก่อนไม่ต้องไปกังวลเรื่องสารวัตรเดี๋ยวพอปลดกเกษียณน้องสาวคนที่ชื่อเฉลารถ เขาก็จะนำใส่รถแท็กซี่มาทิ้งไว้ที่หน้าบ้านโยมโยมก็จะได้อยู่กับสารวัตรจนเขาตายจากโยมในปี2554เมื่ออายุ85ปีรับรองว่าน้องสาวไม่มาขอคืนเพราะเขาไม่ชอบเลี้ยงคนแก่ที่ไม่ได้เป็นพ่ อ, ขอเขาดิฉันก็จะไม่เลี้ยงมีอย่างที่ไหนเวลาดีๆไปอยู่กับคนอื่นพ่อแก่เท่าจะมาให้เราเลี้ยง ดิฉันไม่เลี้ยงค่ะท่านพระครูย้ำว่าต้องเลี้ยงไม่เป็นลรรอกตอนนี้โยมยังเคืองแค้นแต่พอถึงวันนั้นโยมจะหายแค้นเปลี่ยนมาเป็นสมเพเทเวทนาแทนส่วนเรื่องลูกก็ไม่ต้องกังวลอัตมาตัต้งใจจะตอบแทนบุญคุณโยมโดยการสมลูกโยมให้เรียนจบปริญญาตรีทุกคนถ้าอัตมาตจะต้องกลับบ้านเก่าก่อน ก็จะเขียนพินัยกรรมฝากสมชายไว้สำหรับวันนี้อาตมาตเตรียมไว้ให้โยมหนึ่งแสนบาทท่านส่งซองสีน้ำตาลบรรจุเงิน1แสนบาทให้ภรรยาพันตํารวจเอกชนอินทนาคุณนายปลาปรื้มใจจนน้ำหูน้ำตาไหลหลวงพ่อช่างเมตตาดิฉันเลอเกินดิฉันไม่อยากเอาเงินพระเพราะดิฉันกลัวบาปหลวงพ่อให้ดิฉันยืมก็แล้วกันนะคะ ถ้าลูกๆเรียนจบมีงานทำแล้วดิฉันจะผ่อนคืนให้คุณนายพูดอย่างเกรงใจไม่เคยคิดมาก่อนว่าพระภูทร อ, อย่างท่านพระครูจะร่ารวยถึงขนาดให้เงินลูกสิษ์ครั้งละตั้งแสนหรือว่าท่านถูกหวยรางวัลที่หนึ่งท่านพระครูรู้ความคิดของคุณนายจึงช่วยแก้ความคิดที่ผิดนั้นว่าอาตมาไม่ได้ถูกหวยรางวัลที่หนึ่งหรอกโยม พระภูโทนองค์นี้ใหม่เล่นหวยพอดีเมื่อวานมีโยมจากนครบานเขาเอามาถวายท่านไม่ได้เล่าเรื่องอาจารย์สามคนให้คุณนายฟังเพราะเวลาไม่พอนายขุนทองพาสองพี่น้องขึ้นมาพอดีดูเขามีความสุขจนหน้าบานเป็นจานเชิงเมื่อได้ทำหน้าที่มัคุเทศพาหนุ่มรูปงามชมวัดนี่ถ้าไม่มีน้องสาวหวัยหกขวบมาเป็นกอขอคอ ก็คงสุขสนุกสนานมากกว่านี้ถ้าฟ้าดินมีตาคราวหน้าขออยาให้น้องสาวมาด้วยเถิดเจ้าประคุณสนุกไม้มลูกเตรียมตัวกลับบ้านกันได้แล้วมากราบลาหลวงปู่กันก่อนหลวงปู่มีพระคุณต่อพวกเรามากรู้ไหมคุณนายพูดกับลูกสาวลูกชายท่านพระครูบอกสองพี่น้องว่าหนูตั้งใจเรียนนะ จะได้มีเงินมาเลี้ยงพ่อแม่ยามที่ท่านแก่เท่าครับหลวงปูข่ขาหลวงปู่สองพี่น้องพูดพร้อมกันจากนั้นสามแม่ลูกจึงพากันกราบลาท่านคืนสู่นิวารสถาน